อีกเรื่องหนึ่งนะจำปะยะจริยาเนี่ยนะคือเรื่องของพญานาคคล้ายๆกันเนี่ยนะพระองค์เล่าให้ภาษารียบดูฟังอีกว่าในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าจำปะยะกะที่มีฤทธิ์มากแม้ในครั้งนั้นเราก็เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเพียบพร้อมด้วยศีลวัรหมองูก็ได้จับเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมรักษาอุโบสถให้เล่นระบำอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชวัง หมองูนั้นคิดจะเอาสีเช่นใดนะจะให้เราอธิษฐานสีเช่นใดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามจิตของเขาเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เหมือนอย่างที่เขาคิดเราทำน้ำให้เป็นบกก็ได้ทำบกให้เป็นน้ำก็ได้ถ้าหากว่าเราโกรธเคืองต่อหมองูนั้นก็พึงทำเขาให้เป็นขี้เท่าโดยฉับพลัน ถ้าเราจักเป็นไปตามอํานาจของจิตเราก็จักเสื่อมจากศีลอะนะเห็นเลยนะว่าถ้าเราเป็นไปตามอํานาจของจิตปล่อยให้ใจเป็นใหญ่โดยเฉพาะใจที่เป็นโทสะถ้าปล่อยให้ใจเป็นใหญ่เสื่อมจากศีลเมื่อเราเสื่อมจากศีลประโยชน์อันสูงสุดก็จะเป็นอันไม่สำเร็จอะนะถ้าเสื่อมจากศีลแล้วนะศีลก็เหมือนกับอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่จะซื้อโพธิานได้ ถ้าศีลบกพร่องไปแล้วจะได้โพธิญาณมาจากไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สูงสุดที่เราตั้งเอาไว้ก็จะไม่ได้กายของเรานี้จงแตกกระจัดกระจายณนะที่นี้เหมือนแกลบจงกระจัดกระจายอยู่ก็ตามเถิดหมายคืาว่าร่างกายของเรามันจะกระจายเหมือนขี้แกลบก็ช่างเราจะไม่ทำลายศีลชนี้แลนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่ พระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษาริบุตรฟังว่าคุณธรรมที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าในกลับนีเ้เรื่องราวของท่านเนี่ยนะมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นท่านบังเกิดในนาคพิภพชื่อว่าจำจำปาเป็นนาคราชมีชื่อว่าจำไยกะเนี่ยนะจำไปยะก็คือเนื่องจากว่าเป็นพระราชาที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําจำปา ก็เลยมีชื่อว่าจำไปยะกะเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพญานาคนั้นครองราชสมบัติอยู่ในนาคพิพพนั้นสเสวยอิสริยะสมบัติเช่นเดียวกับโภกขสมบัติของเทวราชแปลว่ายิ่งใหญ่เหมือนกับเทวดาเพราะไม่มีโอกาสบำเพ็ญบารมีหมายถึงว่าอยู่เป็นพญานาคเสวยความสุขอยู่แบบพญางูทั้งหลายเนี่ยนะ ก็ไม่ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญอะไรที่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็คิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเราจกเข้าอยู่จำอุโบสถพ้นจากนี้แล้วจักบำเพ็ญบารมีให้ดีทีเดียวนะจะไปรักษาศีลให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะไปบำเพ็ญบารมีให้มันยิ่งยวดยิ่งกว่านี้ตั้งกันนั้นมาท่านก็รักษาอุโบสถอยู่ในปราศาสตร์คืออยู่ในเมืองนาค นางนาคมานวิกาสาวงามนาคทั้งหลายก็เข้ามาหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คิดว่าเราอยู่ที่ปราสาทนี้จกเป็นอันตรายแก่ศีลของเราก็ออกจากปราสาทไปอยู่ที่สวนแมในสวนนั้นพวกนางนาคมานวิกาทั้งหลายก็เข้ามาหาอีกพระโพธิสัตว์คิดว่าในสวนนี้ศีลของเราก็จะเศร้ามองเราก็ออกจากนาคพิภพไปยังมนุสโลกแล้วอยู่จำบูโบสด ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ออกจากหน้าคัติภพในวันอุโบสถสละร่างกายให้เป็นทานนะวันที่สมาทานอุโบสถเนี่ยสละร่างกายให้เป็นทานโดยอธิษฐานตั้งใจไว้ว่าผู้ต้องการหนังก็จงเอาหนังไปผู้ต้องการเนื้อก็จงเอาเนื้อไปผู้ต้องการเอ็นก็จงเอาเอ็นไปผู้ต้องการกระดูกก็จงเอากระดูกไปผู้ใดประสงค์จะเอาเราไปเล่นระบำงูกีฬางูก็คือระบำงูก็จงทําเถิด แล้วก็นอนขนดอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางไม่ไกลบ้านชายแดนแห่งหนึ่งท่านก็อยู่จำอุโบสถในวันสิบี่ค่และวันสิบห้าค่หมายว่าทุกๆสิบห้าวันท่านจะไปนอนอยู่จำอุโบสถในค่ำมาหนึ่งอานะกล่าว่าในวันแรมหนึ่งค่ก็กลับไปยังนาค พ, พ, พิภพเมื่อพระโพธิสัตว์รักษาอุโบสถอยู่อย่างนี้การเวลาล่วงยาวนานไป ครั้งนั้นพระอาคาระัคราเมหสีชื่อว่าสุมนาอ น, นะอาคาะัคราเมหสศีเหสีผู้เป็นเอกอ่ะนะก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์เสด็จไปยังมนุสโลกเข้าอยู่จำาอโบสถก็ในมนุสโลกนั้นนะ่ะเต็มไปด้วยอันตรายอ่ะ น, นะทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ได้รับอันตรายหม่อมฉันจะทราบได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ก็เลยพานาง สุมนาอัครมเหสีเนี่ยไปที่ฝั่งสระบกกรณีที่เป็นมงคลบอกเครื่องหมายสามประการแกนางสุมนาว่านางผู้เจริญถ้าหากว่าใครทําร้ายให้เราลําบากน้ําในสระบกกรณีนี้จะเป็นน้ําขุนถ้าหากว่าครุฑจับน้ํานี้จะเดือดพล่านถ้าหากว่าหมองูจับน้ําจะมีสีแดงนะก็บอกเครื่องหมาย3าประการว่าถ้าเราเป็นยังไงนะดูจากน้ําจะรู้ หลังจากนั้นท่านก็ไปอธิษฐานอุโบสถในวันสิบสี่คาออกจากหน้าคภิพภ พ, พไปนอนอยู่บนจอมปลวกอันนั้นยังจอมปลวกให้งดงามด้วยความงามของร่างกายพระโพธิสัตว์ร่างกายของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นชาตินี่เป็นพญา ง, งูสีขาวสีขาวเหมือนพวงเงินยอดศีรษะเนี่ยดุดลูกครีทําด้วยผ้ากําพลแดงก็เรียกว่า ง, งูมีงอนอ่ะนะมีงอนข้างบนอ่ะส่วนชาติที่เป็น พระภูริท ธ, ธะตะเออขอภยัยร่างกายของจำปยะนาคราชเนี่ยร่างกายเท่ากับมีหัวเนี่ยเท่ากับงอนไถเนี่ยนะงอนไถก็แสดงว่าเท่าใหญ่ๆก็น้องๆกาปั้นอ่ะนะถ้าเท่ากําปั้นนี่แหละหัวนียใหญ่เท่านั้นเออ <_' S 2> ก็แสดงว่าก็คือเท่าเท่ากับต้นแขนนะนะตัวแสดงว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไร่ชาติชาติที่เป็นจำปยะเนี่ยพอมาเป็นงูเนี่ยก็ตัวเท่าต้นแขน ตอนชาติเป็นพระภูริทัตตนี้เขาเท่ากับขาอ่อนเนี่ยนะก็ตัวใหญ่มากใหญ่พอสมควรนะีใหญ่กว่านี้อีกครั้งเป็นสังขปาละสังขปาละนาคราชที่ออกมารักษา ส, สังขปาละเนี่ยนะมีตัวเนี่ยเท่าเรือกโกลนเรือกโกลนลําหนึ่งก็ตัวใหญ่มากเลยนะเรือกโกลนใหญ่มากก็ชาติที่เป็นพญา น, นาคร่างกายก็ไม่ได้เท่ากันอะไร ในครั้งนั้นมานบชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปไปเรียนที่เมืองตักศิลาไปเรียนเอามนอาลัมพายอาลัมพายมนเนี่ยเป็นมนสะกดจิตเป็นมนสะกดจิตเกี่ยวกับเรื่องการสั่งงูบังคับงูไม่รู้ว่าเป่าแตรด้วยหรือเปล่านะนะเป่าปีเพื่อให้งูออกมานะระบำงูไปที่ศีลังกาก็ยังมีจะมีไอระบำงูอยู่เหมือนกันนะนะเขาก็เป่าปีแล้วก็งูก็ออกมาไล่รำให้ดูนะที่ศีรษะเนี่ยครั้งที่แล้วไปก็ยังเห็นอยู่ หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์นั่นแหละคือพราหมณ์อ่าพรามคนนี้หลังจากที่ไปเรียนมนุ์งูมาเรียบร้อยแล้วก็มาตามทางนั้นพอเห็นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเรื่องอะไรที่เราจะกลับบ้านมือเปล่าก็เลยจับเอานาคเนี่ยไปแสดงในการเล่นหมู่บ้านนิคมราชธานีได้ซัพย์แล้วก็ค่อยปล่อยไป น, น, นะได้ทรัพย์แล้วค่อยไปก็เลยหยิบทิพโอสถไรท่ทิพมน์เข้าไปหาหนาคราช นาคราตตั้งแต่ได้ยินทิพมลเนี่ยนะเป็นเหมือนกับดุดซี่เหล็กร้อนย้อนเข้าไปในหูของพระโพธิสัตว์ดดดปลายงอนเนี่ยนะปลายงอนเนี่ยถูกขยี้ปวดหัวมากเลยนะก็เรียกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนกับเอาซี่เหล็กร้อนร้อนทิ่มเข้าไปในหูก็คล้ายๆกับอันนะั้นเขาถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะเคยเห็นไหมว่าจมูกของโคเนี่ยมันจะมีมีเชือกผูกร้อยจมูกไหมเชือกร้อยจมูกถามว่าเขาทำยังไง เขาก็เอาเหล็กเล็บแหลมๆคมๆเนี่ยนะแหลมเนี่ยนะแหลมๆเนี่ยไปเผาไฟพอเผาไฟเสร็จเนี่ยก็จับให้ดีแล้วก็เอาจิ้มเข้าไปในรูจมูกเลยนะจิ้มแล้วก็เขาเรียกว่าคล้ายป้องกันเชื้อโรคนะเขาเอาเหล็กเหล็กเผาไฟร้อนๆเนี่ยจิ้มเข้าไปในจมูกพอมันหายแผลเขก็ร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ร้อยเชือกทั้งวัวทั้งควายเขก็ทําแบบนี้นะทำไมลุงเรืองเขาทำแบบนี้นะไหน ก็เลย เ, เรียกว่าผูก เ, เรียกว่าสนสะพายไงนะสายสะพายแบบนี้ไม่เห็นโก้เลยนะันั่งนะทีนี้ในพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละปวดหัวเป็นอย่างมากพระโพธิสตัตว์นี้ยกศีรษะขึ้นออกจากระหว่างขนดมองดูเห็นว่าใครนาะพอเห็นว่าเป็นหมองูก็คิดว่าพิษของเรานี่แรงกล้า หากเราโกรธพ่นลมออกจากจมูกร่างกายของหมองูนี้ก็จะกระจุยกระจายดุดกแกลบบทีนั้นศีลของเราก็จะขาดเราจะไม่มองดูหมองูละนี่ะถ้าเรามองดูหมองูเนี่ยนะหมองูตายแนย่กระจุยกระจายเป็นเหมือนขี้แกลบแน่พระโพธิสัตว์ก็เลยหลับตาสอดศีรษะเข้าไปในระหว่างขนดเนี่ยนะนอนก็ร้องงูบางตัวเนี่ยนะนอนนี่นะเอาหัวมุดเข้าไปในในขนดของตัวเองเนั่นแหละ คราหมงูก็เคี้ยวโอสถไร่มนพ่นน้ําลายลงบนร่างกายของพระโพธิสัตว์ด้วยอนุภาพของโอสถและมนก็เป็นเหมือนกับผู้พองผุด น, นะ น, นะผู้พองเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้พองแล้วก็ผุดขึ้นในที่น้ําลายถูกต้องอ น, นะก็แสดงว่าเจ็บปวดเร่าร้อนมากเหมือนอะไรนะเหมือนกับเทน้ํามันราดน้ํามันเดือดเนี่ยนะลงไปเนี่ยนะหรือเหมือนกับโปรยน้ํามันเดือดหวานลงไป ครั้งนั้นพราหมณ์หมองูก็จับที่หางแล้วก็ฉุดออกมาให้นอนยาวเหยียดเอาไม้ตีนแพ้เนี่ยนะไม้กีบแพะเนี่ยกดเอาไว้ทําให้อ่อนกําลังแล้วก็จับศีรษะให้มั่นให้พระโพธิสัตว์อ้าปากเสร็จแล้วหมองูก็พ่นน้ําลายลงในปากของพระโพธิสัตว์ทาลายฟันด้วยกําลังของมนและโอสถเนี่ยนะฟันก็ดุดออกมาเลือดก็ไหลเต็มปาก ที่เขาทำจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าเขาสงสารนะเนี่ยตอนที่เราฟังว่าโอพระโพธิสัตว์คือบุรุษในดวงใจของเราคือคนที่เราเคารพเนี่ยเราโอ้ยน่าเคารพน่าทำได้ยังไงใจดุรายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะคำว่าการุณาสงสารเนี่ยไม่มีรากเนี่ยนะไม่เชื่อก็ไปดูตามเส้นอะไรนะร้านอาหารสาัตว์ป่าเป็นต้นเนี่ยนะอาหารของป่าหรือแม้กระทั่งว่าชาวชนบททั้งหลายเขาก็ทำอย่างนี้แหละเนี่ยนะ พระโพ ธ, ธิสัตว์ก็อดกลั้นทุกเห็นป่านนั้นเพราะเกรงว่าศีลของตนจะขาดจึงหลับตาไม่ทำแม้เพียงจะแลดูหมองงูนั้นคิดว่าเราเนี่ยทำหน้าคลาดให้หมดกำลังแล้วก็ขยาทั่วร่างดดทำให้กระดูกตั้งแต่หางแหลกเหลวพันผ้าสำลีเอาได้มัดจับที่หางเอาผ้าทุบ เลือด ก, ก็เปื้อนทั่วร่างของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็อดกลั้นเวทนาแสนสาหัสเนี่ยนะคิดว่าเจ็บปวดมากเลยนะเลือด ก, ก็เปื้อนไปทั่วร่างกายนะเพราะอะไรเพราะถูกขยําไปทั้งร่างกายนะบางชาตินี่ก็เดินเหยียบเหยียบเยียบยียบเยียบขึ้นเหยียบลงเมืนก็เหยียบเยียบอะไรนะเหยียบท่อนไม้อะนะทางนั้นหมองูรู้ว่าพระโพธิสัตว์หมดกําลังก็เอาเถาวันเนี่ยมาทําตะกรา้จาจับพระโพธิสัตว์ใส่ลงไปในตะกรา้า แล้วก็นําเข้าไปยังบ้านชายแดนให้เล่นกีฬาท่ามกลางมหาชนพระโพธิสัตว์ ท, ทําตามพราหมณ์อย่างที่พราหมณ์ต้องการจะให้ทําไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเป็นต้นมีสันฐานเป็นสีเหลี่ยมเอ่อสี่เหลี่ยมไม่ว่าประมาณมีละเอียดะนะให้ร่างกายละเอียดหยาบแผ่พังพันเป็นร้อยเป็นพันก็ทําตามที่เขาอยากให้ทําหมดมหาชนชอบใจก็ให้ทรัพย์เป็นอันมากในวันเดียวเท่านั้นก็ได้กหาปณะเป็นพันนี่นะ แล้วก็บริขารที่มีค่าอีกพันหนึง่งแสดงว่าข้าวของเครื่องใช้ได้มูลค่าเป็นพันๆที่เขาเขาให้ค่าค่าแสดงเนี่ยนะพรามนั้นคิดมาตั้งแต่ต้นว่าได้ซับพันหนึ่งแล้วจะปล่อยแต่ครั้นได้ทรัพย์นั้นแล้วก็คิดว่าในบ้านชายแดนเท่านั้นเรายังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้เมื่อแสดงแก่พระราชาและอํามาตย์ของพระราชาจากได้ซัพย์มากเพียงไรเนี่ยนะไปแสดงให้คนใหญ่คนโตดูเนี่ยเขาคงจ่ายเยอะแยะไปหมดเลย ก็เลยหาเกวียนและก็ยาโน้อยที่สบายบรรทุกบริขารลงในเกวียนตนเองนั่งบนยาโน้อยที่สบายก็เรียกว่าซื้อรถซื้อเกวียนอ่ะนะถ้าสมัยนี้ก็ซื้อรถเก๋งคันหนึ่งรถบรรทุกอีกคันหนึ่งอ่ะนะขนข้าขนของไปเลยก็ให้พระโพธิสัตว์เล่นกีฬาในบ้านนิคมชนบท ร, ราชธานีด้วยบริวารใหญ่ครั้นให้เล่นในราชสำนักของพระเจ้าอุคเสณในกรุงพาระนศีแล้วก็จะปล่อยแล้วก็ได้เดินทางต่อไปต้องการไปให้พระเจ้าพาระนศีดูก่อน พรามนั้นได้ฆ่ากบให้หนาคาราชนาคาราชไม่กินด้วยคิดว่าพรามนั้นจะฆ่ากบเพราะอาศัยเราบ่อยๆครั้งนั้นพรามก็ให้น้ำพึ่งและข้าวตอกแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่กินข้าวตอกและน้ำพึ่งเหล่านั้นคิดว่าหากเราถืออาหารเราก็ต้องตายในตะกร้าถ้ากินแล้วตายเลยนะย แสดงว่าสุขภาพย่ําแย่มากนะถ้าร่างกายย่ําแย่เต็มทีไม่รู้ว่าลําไส้นี่เป็นแผลขนาดไหนก็ไม่ทราบใช่ไหมถ้าหากว่าทานอาหารเข้าไปเนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายแน่ก็ไม่ยอมพรามนั้นได้ไปถึงเมืองพาราณสีประมาณหนึ่งเดือนก็เราเดินทางรอนแรมไปเดือนหนึ่งแสดงว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทานอะไรเลยตลอดเดือนนั่นนะทำให้พระโพธิสัตว์เล่นระบํากีระระํางูเนี่ยไปในประตูบ้านได้ทราบเป็นอันมากพระราชากราบสั่งให้พรามนั้นมาบอกว่า ท่านจงเล่นระบำงูให้เราดูพราหมณ์ก็รับพระดํารัสว่าขอเดชะข้าพระองค์จะให้เล่นระบำงูถวายในวัน15บ่านะําค่ำแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสิบสี่ค่ำใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงให้ดูประราชาก็ตีกลองเปล่าประกาศว่าพรุ่งนี้นาคค้าจะฟ้อนที่พระลานหลวงขอให้มหาชนมาประชุมดูเถิดแล้วก็ตีคองเป่าร้องเปล่าประกาศให้ประชาชนมาดูระบำงูวันรุ่งขึ้นก็รับสั่งให้ตกแต่งพระลานหลวง แล้วตัดเรียกหาพรามเข้าไปเฝ้าพรามก็นําพระโพธิสัตว์ใส่เข้าไปในตะกร้าแก้วนะตะกร้าแก้ววางตะกร้าไว้ที่ที่ราชอันวิจิตนั่งอยู่พระราชาก็เสด็จลงจากปราสาทแวดล้อมไปด้วยมหาชนนั่งเหนือราชอาณาจักพรามก็นําพระโพธิสัตว์ออกมาให้ฟ้อนพระโพธิสัตว์ก็แสดงไปตามที่พรามให้แสดงมหาชนไม่อาจจะทรงภาวะของตนได้ต่างก็ยกภาพ นะยกผ้า พ, พันผืนโบกไปโบกมาแล้วฝนนะให้ฝนเนี่ยตกลงเบื้องบนพระโพธิสัตว์คือทุกคนก็ต้องการจะอะไรนะบูชาพระโพธิสัตว์นะนะต้องการพระโพธิสัตว์เพราะในเรื่องนี้ในคาถาที่บอกว่าเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อว่าจํำปียกะมีฤทธิ์มากครั้งนั้นเราเป็นเป็นพญานาคที่ประพฤติทธรรมเพียบพร้อมไปด้วยศีลและวัด ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ประพฤติธรรมก็คืออะไรประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเป็นผู้ประพฤติธรรมเพราะไม่ประพฤติแม้สิ่งที่เป็นอาธรรมอาธรรมแม้เล็กแม้น้อยท่านก็ไม่ทำเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่รักษาศีลรักษาศีลถูกจับไปเขาให้แสดงอย่างไรก็ทําอย่างที่ใจหมองูปรารถนาไม่โกรธงูเพราะถ้าหากว่าทําความโกรธให้เกิดขึ้นแก่ ง, งูก็ต้องอให้เกิด ยังความโกรธให้เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ก็จะฆ่าพราหมณ์เป็นต้นเนยนะพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงความที่พระองค์สามารถกําจัดความชีพหายเกิดขึ้นแก่พระองค์ในครั้งนั้นได้หมายความว่าไม่ยอมโกรธในะตัวที่จะทําลายทรัพย์สินคือศีลตัวที่จะทําลายอริยทรัพย์คือศีลได้จริงๆก็คือความโกรธท่านกําจัดความโกรธไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึง ความประสงค์ที่พระองค์ไม่ทําการกำจัดว่าหากเราเป็นไปตามอํานาจของจิตด้วยเหตุเพียงโกรธแล้วมองดูคิดว่าหมองูนี้เบียดเบียนเราเหลือเกินคงไม่รู้จักอนุภาพของเราเอาละเราจะแสดงอนุภาพของเราให้มองให้หมองูเนี่ยเห็นทีนั้นหมองูก็จะ ก, กระจุยกระจายดุดแกลบไปฉะนั้นเรียกว่าแมรู้จักเราน้อยไปก็เลยพ่นพิษใหญ่เลยเป็นต้นเนี่ยหนะมองูนี่ตายแน่ เราก็จะเสื่อมเราก็จะเสื่อมจากศีลตามที่เราสมาธานเอาไว้ก็เมื่อเราเสื่อมจากศีลมีศีลขาดประโยชน์อันใดที่เราได้ปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่เท้าเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามวัตีปังกอประโยชน์อันสูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่สำเร็จเราปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท้าเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามวัีปังก ถ้าไม่รักษาศีลและจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ยอมเสื่อมจากศีลนะเพราะได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเสียศีลไปแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบทว่ากามังพิชตุกายังบทว่ากามังพิชตุยังกายโยคือกายเนี่ยนะสภาพของร่างกายโดยปกติมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีต้องบีบต้องนวด และในที่สุดจะต้องมีการแตกทำลายมีการกระจัดกระจายเป็นธรรมดาร่างกายอันนี้เป็นที่เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเป็นที่ประชมแห่งมหาพูดร่างกายอันนี้จะแตกหรือจะพินาศกระจุยกระจายเหมือนแกลบที่ซัดไปในแรงลมในที่นี้ก็ตามเธอสรุปว่าหมองูจะขย่ําจะทำลายร่างกายของเราให้กระจัดกระจายอย่างไรก็ช่างบทว่าเนวสีรังปะพินเถ ย, ยังวิ วิกิรันเตผู้สังวิยะพระบรมโพธิสัตว์คิดว่าแม้ร่างกายนี้ของเราจะกระจัดกระจายไปเหมือนแกลบเราก็จะไม่ทำลายศีลอันเป็นเหตุแห่งประโยชน์สูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตเราจะบาเพ็ญศีลบารมีเท่านั้นเราจะอดกลั้นทุกเช่นนั้นในการนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้อย่างนี้ว่า จะยอมอดยอมทนทุกอย่างเพื่อจะรักษาศีลเพราะศีลเป็นเหตุให้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของหมองูครบเดือนหนึ่งพอดีพระโพธิสัตว์ก็อดอาหารตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนางสมนาเทวีก็ไปดูสะโบกครณีด้วยคิดว่าสามีของเราเนี่ยช้าเหลือเกิน จะมีเหตุอะไรหรือหนอก็ไปเห็นว่ามีน้ำสีแดงก็รู้ว่าสามีนี่ถูกหมองูจับเอาไปนะนางก็เลยออกจากหน้าคัพิภพไปใกล้จอมปลวกไปเห็นที่ที่พระโพธิสัตว์ถูกจับเห็นที่ที่พระโพธิสัตว์ถูกทรมานก็ร้องให้ค่ํำครวญไปยังบ้านชายแดนเที่ยวสอบถามเขาเนี่ยนะถามไปเรื่อยว่ามีระบำหมองูเขาเล่นที่ไหนบ้างสอบถามไปเรื่อยก็ทราบเรื่องราวแล้วก็ไปจนถึงกรุงพารนสี ยืนร้องให้บนอากาศไปเห็นเห็นหมองูกำลังให้งูไา่ระบําอยู่ก็ไปยืนอยู่บนอากาศใกล้ประตูพระราชวังพระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังฟ้อนอยู่นั่นแหละแงน่าดูบนอากาศเห็นนางสุมาณฑเวอัคราเมหสีก็อายแล้วก็กลับเข้าไปนอนในตะกร้าอนน้อายมากเลยนะคล้ายว่าโห้ย ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองหน้าเนี่ยนะมาเล่นระบำให้คนดูเนี่ยนะมันจะอายขนาดไหนเลยแล้วก็มหิสีมาดูด้วยเนี่ยแหมมุดมวนก็ไปเลยนะอายมากพระราชาในขณะที่พระโพธิสัตว์เข้าไปในแต่กร้าก็เลยคิดว่าเอ๊มีเหตุอะไรเนาะก็เลยดูข้างโน้นข้างนี้เห็นนางสุมายืนอยู่บนอากาศก็ถามว่านางเป็นใครนางสุมาก็บอกว่านางเนี่ยเป็นนางหน้าขกัญยา พระราชาก็เลยเข้าใจว่านาคคราชเนี่ยนะเห็นนางนาคกัญญานี้คงอายเข้าไปในตะกร้าโดยไม่ต้องสงสัยพระราชาเนี่ยรำให้พวกอะไรนะพวกสนมดูเนี่ยแม่มันจะไปโก้ตรงไหนใช่ไหมอายจะตา ย, ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพญา น, นาคเนี่ยหนีไปเนี่ยสงสัยเนี่ยอายแน่นอนฤทธานุภาพตามที่แสดงนี้เป็นของนาคราชเท่านั้นไม่ใช่ของหมองูก็เลยถามว่านาคราชนี้มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้ ท่านตกไปอยู่ในมือของหมองูที่เป็นพรามได้อย่างไรทนาคราชก็เล่าให้ฟังว่า น, นะคือนางสุมนาเทวีนี่เล่าให้ฟังว่านาคราชนี้มีศีลประพฤตในกุศลกรรมบทสิบแล้วเข้าอยู่จําอุโบสถในวัน1ิส่ค่ำสิบห้าค่ามอบร่างกายของตัวให้เป็นทานนอนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางหลวงบัดนี้พญานาคนีถูกหมองูจับในที่นั้น นาคราชนี้มีนาคกัญญาเนี่ยนะตั้งพันเปรียบด้วยนางเทพอักษรสมบัติในนาคพิภพเช่นกับสมบัติในเทวโลกนาคราชนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถพลิกแผ่นดินทั้งสิ้นได้นาคราชนี่ที่ทำอย่างนี้ได้คิดอย่างเดียวว่าศีลของเราจะขาดจึงยอมรับทุกอย่างรุนแรงเห็นป่านี้นะนางสุมนาก็เล่าให้พระราชาฟังทั้งหมดพระราชาก็เกิดความสังเวช ท่นใดนั้นเองพระ อ, องค์ก็พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ยศให้ความอิสระอย่างใหญ่ลลวงแก่พราหมณ์เรียกว่าฆ่าไทยตัวพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้รางวัลย่อยแย่ไปหมดเลยแล้วก็สั่งให้ปล่อยด้วยพระดำรัสว่าเอาเถิดท่านพราหมณ์ผู้เจริญคอท่านจงปล่อยหน้าข้าราชนี้เถิดพระโพธิสัตว์ยังเพศนาคให้หายไปกลายเพศเป็นมนุษย์ปรากฏดุจเทพกุมาร แม่นางสุมนาก็ลงจากอากาศยืนอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระราชาทูลว่าข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรที่อยู่ของข้าพระองค์เถิดคือพญานาคเนี่ยนละชวนชวนพระราชาไปเที่ยวเมืองนาคอย่างที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าจำปยกระนาคราชคือในชาด ก, ก น, นะว่าพ้นออกมาจากที่คุ้มขังแล้วทูลกับพระราชาว่าข้าแต่พระเจ้ากาศี ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค่าแต่ท่านผู้ยังแขว้นกาศีให้เจริญขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค่าพระองคขอถวายบังคมแด่พระองคขอพระองคพึงเห็นนิเวศของข้าพระองคพระราชาก็ทรงอนุญาตให้พญานาคกลับไปยังนาคพิภพพระโพธิสัตว์ก็พาพระราชาพร้อมด้วยพระราชบริพานไปยังนาคพิภพแสดงอิสริยสมบัติของตนอยู่ในขั้นนาคพิภพ พระราชาอยู่ได้สองสามวันก็ให้ตีกลองเป่าประกาศว่าพวกขาราชบริพานทั้งหมดจงถือเอาทรัพย์มีเงินทองเป็นต้นตามความต้องการพระโพธิสัตว์ก็มอบถวายทรัพย์แก่พระราชาหนึ่งรอยเล่มเกวียนพระโพธิสัตว์ก็ถวายโอวาทให้พระราชาเนี่ยนะตั้งอยู่ในธรรมกถาคือในทศพิตราชธะทำสิบประการเป็นต้นว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาพระราชาควรบริจาคทาน ธรรมดาพระราชาควรรักษาศีลธรรมดาพระราชานี้ควรจัดการรักษาปกป้องคุ้มครองเป็นธรรมในอะไรนะในสนมกำนันในอมาต ร, ราชการทหารเป็นต้นในนกในเนื้ อ, อนะก็คือสอนทศพิธ ร, ร่าจะทมให้แก่พระราชาพระราชานั้นออกจากหน้าคพิภพด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่เสด็จถึงกรุงภาราณสี ได้ยินว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะพื้นชมพูทวีปที่มีเงินและทองเปน็นอันมากก็ได้เงินทองมาจากเมืองนาคพระโพธิสัตว์รักษาศีลอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือนทุก15้าวันพร้อมด้วยบริษัทพระองค์ก็ไปบังเกิดในสวรรค์หมองูในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตในครั้งนี้นะนางสุมนามารดาอนนางสุมนาก็คือมารดาของพระราหุลก็คือนางพระนางยโสธราพิมพา อุคเสหะอุคเสนะอุคเสนะก็คือไง ค, คือพระราชานะอุคเสนะราชาก็คือภาษารีบุตรจำปยากนานาคราชก็คือพระโลกกนาศเนี่ยนะเกิในชาตินี้จริงๆแล้วพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยทำบุญไม่ว่าจะเป็นทานศีลการสอนทำเป็นต้นมากมายแต่เน้นพิเศษคือศีลว่าท่านอดทนยอมนะปราบว่าศีลเนี่ยนะท่านจะไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดเพราะว่าโดยใจหลักเนี่ยนะเน้นถือเอาศีลเป็น พิเศษมุ่งที่การรักษาศีลตลอดชาติเนี่ยนะพันด้วยศีลศีลที่พระองค์ได้ประพฤติดีแล้วทั้งศีลบารมีศีลอุปปารมีตลอดจนถึงศีลแลปรมัทธปารมีกุศลศีลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นเครื่องบ่มให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้